วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ย0สบตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีความยินดีในธรรมผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษา ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปพัฒนาจิตใจของตน ให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับการพัฒนาชีวิตนั้นมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งคือแบบไม่ยัง่งยืนได้แก่การพัฒนาทางร่างกายและทางโลกธรรม คือทางลาบยศสรรเส ร, ริญได้ความสุขจากการได้เสรีรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนไม่ว่าจะพัฒนาได้สูงขนาดไหนก็ตามได้ยศได้ตำแหน่งสูงมากน้อยเพียงไรก็ตามได้ทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตาม ได้รางวัลเกียรติยศต่างๆเช่นรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาต่างๆก็ตามได้รับความสุขจากการได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้มากน้อยเพียงไรก็ตามความสุขความเจริญ ของลาบยศจรรสญของรูปเสียงเกิดลดผลพัดมันเป็นของชั่วขาวไม่ยั่งยืนเพราะว่ามันต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แต่ร่างกายก็เป็นของที่ ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรร่างกายก็มีการเจริญเติบโตพัฒนาขึ้นไปได้ในระดับของร่างกายพอพัฒนาได้สูงสุดแล้วก็จะเริ่มนับถอยหลังร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมแทนที่จ ะ, จะเจริญเติบโตก็กลับจะเกิดอาการแก่ชรา ขึ้นมาร่างกายก็หลังจากอายุห้าสิบไปแล้วก็เริ่มนับถอยหลังได้จะมีการเสื่อมของร่างกายไปเรื่อยๆทำให้ร่างกายมีความชราภาพเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆทำให้กำลังวังชาที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆนั้นก็ลดน้อยถอยลงไปตามกำลังของร่างกาย แล้วไม่นานก็อาจาจะเจอโครคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาและในที่สุดก็จะต้องถึงแก่ความตายสิ่งที่ได้พัฒนาคือราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกเส้นกายก็จะเสื่อมตามสมัตถภาพของร่างกาย และสิ้นสุดลงเมื่อร่างกายตายไปไม่ว่าจะหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาได้มากน้อยเพียงไรเมื่อถึงเวลาที่ตายไปทรัพย์สมบัติก็กลายเป็นของผู้อื่นไปเช่นเดียวกับยศตำแหน่งต่างๆเหรียญรางวัลต่างๆก็หมดสภาพไปรูปเสียงกลด ที่ได้เสพก็ไม่สามารถที่จะได้เสพอีกต่อไปนี่คือลักษณะของการพัฒนาชีวิตแบบไม่ยั่งยืนถ้าเราไปพัฒนาทางร่างกายทางราบยศสรรเสริสุกกันแต่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกที่มักจะพัฒนาทางร่างกายทางโลกกระทำกัน เพราะว่าเป็นสิ่งที่คนที่มาเกิดในโลกนี้จะรู้จะเห็นกันคือร่างกายและลาบยศรเสริสุขแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้จะไม่รู้ไม่เห็นกันก็คือการพัฒนาแบบยั่งยืนการพัฒนาแบบยั่งยืนก็คือการพัฒนาจิตใจ เพราะจิตใจนี้เป็นของยั่งยืนเป็นของที่ไม่ตายเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้เกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายแต่จิตใจนี้เป็นของที่ไม่ไมเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือเป็นของที่มีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ทำ จิตใจของพวกเรานี่อยู่ตลอดเวลามีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะเป็นอยู่แบบไหนเท่านั้นเองถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับคำสอนของนั ก, กราชก็จะไม่รู้จักวิธีพัฒนาจิตใจพัฒนาแบบ ย, ยั่งยืน เพราะสิ่งที่เราพัฒนาให้กับจิตใจนี้มันก็จะไม่เสื่อมมันก็จะไม่หมดไปเหมือนกับสิ่งที่เราพัฒนาด้วยร่างกายเช่นราบยศสาเสริญสุกนี้เมื่อร่างกายตายไปราบยศสาเสริญสุกก็สิ้นสุดลงแต่เวลาที่ร่างกายตายไปนี้ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจยังอยู่ต่อและสิ่งที่ใจพัฒนาให้กับใจก็ยังจะอยู่ต่อไป <c oughs> เราจึงเรียกการพัฒนาจิตใจว่าเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนไม่เสื่อมไม่หมดไปตามความเสื่อมของร่างกาย <c oughs> ชีวิตของพวกเรานี้มีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกัน มีร่างกายและจิตใจร่างกายเป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่จิตใจนี้เป็นสิ่งที่ตาของร่างกายไม่สามารถมองเห็นได้การที่จะเห็นจิตใจจะรู้จิตจากจิตใจต้องเห็นด้วยตาของจิตใจตาของจิตใจนี้เรียกว่าตาทิพย์หรือตาใน เพราะว่าใจเป็นของทิพยนะ์ใจเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมเหมือนกับร่างกายการที่จะเห็นใจจะต้องเห็นด้วยตาทิพย์ก็คือตาของใจเองว่าตาของใจนี้เป็นอย่างใจคนนี้เป็นอย่างไรเราต้องลืมเปิดตาในขึ้นมาเราถึงจะเห็นว่าเรามีจิตใจ ที่ต่างจากร่างกายที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปกับร่างกายแต่สามารถจเจริญหรือเสื่อมลงได้ตามอำนาจของการกระทาของใจเองใจนี้แบบเป็นผู้พัฒนาให้ใจสูงขึ้นหรือเป็นผู้ที่จะทำให้ใจเสื่อมต่ำลงได้ จากการกระทาของใจใจเป็นผู้กระทาบุญและทำบาปถ้าทำบาปก็จะดึงใจให้ลงต่ำตามจากสถานภาพที่เป็นอยู่กันในขณะนี้ขณะนี้สถานภาพของพวกเราเป็นมนุษย์กัน เราถึงได้ร่างกายมนุษย์กันถ้าสถานภาพของใจเราไม่ได้เป็นมนุษย์<ม>เช่นเป็ น, เ ป, นเป็นสัตว์เดรัจฉาน<ม>เราก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน<ม>แต่ที่เราได้ร่างกายของมนุษย์กันอยู่ตอนนี้<ม>ก็เป็นเพราะว่าสถานภาพของใจเรานั้นเป็นมนุษย์และ ในขณะที่เราเป็นมนุษย์เป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถดึงใจให้สูงขึ้นพัฒนาใจให้สูงขึ้นได้หรือดึงใจให้ลงต่ำได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของใจผ่านทางกายและวาจา<ม>ผ่านทางพูดและการกระทําของร่างกาย แต่การกระทาของร่างกายนี้ผู้ที่กระทานั้นไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจผู้เป็นผู้สั่งให้กระทำเหมือนกับรถยนต์ในเป็นเครื่องมือของคนขับรถเวลาคนขับรถไปขับชนคนตายผู้ที่จะต้องรับโทษนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นรถยนต์ เพราะรถยนต์เป็นเพียงเครื่องมือของคนขับรถอีกทีหนึ่งผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการเสียหายนี้ก็คือคนขับรถเมื่อเกิดการเสียหายขึ้นมาเขาไม่ได้จับรถไปลงโทษแต่จับคนขับคนขับจึงมักจะหนีเพราะรู้ว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้ไปรับโทษจากการกระทำ การขับรถที่ประมาทเป็นต้นเช่นขับรถด้วยอาการมึนเมาขับรถด้วยการคึกขนองขาดสติก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่นเวลาที่เจ้าหน้าที่ตารวจมาจับนี่เขาไม่จับรถยนต์ไปลงโทษเขาต้องจับคนขับไปลงโทษ เพื่อเป็นการห้ามปรามเพื่อเป็นการอสอนให้รู้ว่าการกระทำแบบนี้ไม่ถูกต้องถ้าปล่อยให้กระทำโดยไม่มีโทษก็อาจจะทำต่อไปอย่างอย่างอย่างกว้างขวางแต่ถ้ารู้ว่าเป็นโทษเนี่ยครั้งต่อไปก็จะมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น ทันใดเรื่องของการกระทําของจิตใจนี้ก็จิตใจนี่แหละเป็นผู้กระทาจิตใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายซึ่งเป็นเหมือนรถยนต์เราสั่งรถยนต์ให้ไปทางทิศเหนือก็ได้เราสั่งรถยนต์ให้ไปทางทิศใต้ก็ได้จุดหมายปลายทางของทิศเหนือกับทิศใต้ก็จะไม่เหมือนกันถ้าเราเดินทางไปทางเหนือก็จะขึ้นไปที่จังหวัด เชียงใหม่เชียงรายถ้าเราเดินทางไปทางทิศใต้เราก็จะลงไปที่สงขลาหรือภูเก็ตอันนี้คือผลของการเดินทางไปทิศ ใ, ในแต่ละทิศแต่ละทางขึ้นเหนือก็ไปเชียงใหม่เชียงรายลงใต้ก็ไปสงขลาไปนาลาทิวาตเป็นต้นฉันใดการกระทำของใจ ผ่านทางร่างกายด้วยวาจาคือคำพูดและด้วยการกระทาต่างๆทางร่างกายนี้ก็จะพาให้ใจขึ้นสูงหรือลงต่ำได้ถ้าการกระทาของใจเป็นการกระทาที่เกิดโทษแก่ผู้ที่เรียกว่าบาปเช่นสั่งให้ร่างกายไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเพณีหรือสั่งให้พูดด้วยวาจาที่ไม่เป็นความจริงพูดพูดวาจาเท็จพูดบทอันนี้ก็จะมีผลตามมาทันทีมีผลต่อจิตใจไม่ได้มีผลต่อร่างกายแต่อย่างใดร่างกายอาจจะรับผลบ้างแต่ไม่ได้เป็นผลผลหลัก คนบางคนทำบาปทำผิดกฎหมายก็ยังสามารถหลบหลีกหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มได้หรือถูกจับกลุ่มก็สามารถที่จะใช้อิทธิพลด้านใดด้านหนึ่งสามารถพลิกคดีจากผิดให้กลายเป็นถูกก็ได้ดังนั้นถ้าเรามองผลของการกระทำบาป ไปที่ร่างกายเราก็อาจจะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นไปลายตา mm hmm. นั้นว่าทาทำผิดก็ต้องติดคุกติดตาราง mm hmm. แต่บางทีคนทำผิดเขาก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางก็ได้ mm hmm. เพราะว่าผลทางร่างกายนี้มันมีมีสมีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวข้องด้วย mm hmm. ดึงไม่ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเวลาทำบาปทำผิดกฎหมายแล้วจะต้องถูกจับไปลงโทษเสมอไปบางทีก็สามารถที่จะหลบหลีกออกไปต่างประเทศได้หรือถ้าถูกจับก็มีอิทธิพลทางด้านการเงินการเมืองก็สามารถใช้อิทธิพลนี้เปลี่ยนผลของการกระทำ บาปของการกระทำผิดให้กายเป็นไม่ผิดก็ได้อันนี้เราต้องอย่าไปมองที่ผลที่จะเกิดขึ้นกับทางร่างกายเวลาที่ใจทาบาปหรือทาบุญเราต้องดูผลที่ใจโดยตรงซึ่งถ้าเราไม่ได้มีเปิดตาในขึ้นมานี้เราจะไม่สามารถมองเห็นผลของกรรมของการกระทำของใจ ได้เลยว่าใจตอนนี้กลายเป็นอะไรไปแล้วใจยังเป็นมนุษย์อยู่หรือใจได้กลายเป็นเดรัจฉานไปแล้วหรือกลายเป็นเปรตไปแล้วหรือกลายเป็นอสุรกายไปแล้วหรือกลายเป็นนรกไปแล้วอันนี้แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นกับใจถ้ามีการกระทำบาป ถมจะทำผ่านทางร่างกายก็ตามแต่ร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างกายก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ทำบาปแต่ใจได้กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความหลงนี่ท่านบอกว่าการทำบาปด้วยความหลงนี่จะทำให้ใจกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็ อยู่แบบความหลงนี่แหละเขาไม่รู้บาป บ, บุญคุณโทษ<ม>เขารู้เพียงแต่ววิธีเอาตัวรอด<ม>ถ้าการเอาตัวรอดของเขาต้องต้องเป็นต้องกระทำบาปเขาก็จะกระทำบาปเพราะเขาถือว่ามันเป็นสิทธิของเขาความชอบของเขาที่จะต้องเอาตัวของเขาให้รอดการที่จะทำให้ตัวขเขาให้รอดก็อาจจะทำให้เขาต้องไปทำบาปเช่นทำร้าย ทำรายชีวิตของผู้สัตว์นี้จะอยู่ด้วยการฆ่ากันสัตว์ใหญ่ก็จะฆ่าสัตว์น้อยเป็นอาหารเขาก็ไม่ได้คิดเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบาปแต่อย่างใดเขารู้ว่ามันเป็นสิทธิทอันชอบธรรมของเขาที่จะทําให้เขาอยู่รอดได้เขาจะต้องมีการฆ่าสัตว์ที่เล็กกว่าเขาเอามาเป็นอาหารเพื่อให้เขาได้อยู่รอด ฉันใดมนุษย์ก็เหมือนกันถ้ามนุษย์เราทำบาปเพื่อเอาชีวิตให้อยู่รอดเช่นทำอาชีพค่าสัตว์ตัดชีวิตค่าเป็ดค่าไก่ค่าวัวค่าควายค่าวัาค่าอะไรต่างๆเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองเพื่อให้ชีวิตของตนนั้นอยู่อยู่รอดไปวันวันหนึ่งอันนี้ก็เป็นการกระทำแบบสัตว์เดรัจฉาน ใจที่เป็นมนุษย์นี้ก็จะค่อยกลายไปเป็นเดรัจฉานตามอำนาจตามกำลังของการทำบาปทำมากทำน้อย mm hmm. ก็จะเป็นมากเป็นน้อยไปตามลำดับร mm hmm. ่างกายไม่ได้เป็นไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างกายที่เป็นมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจที่ เคยเป็นมนุษย์ตอนที่เกิดมาใหม่ๆพวกเราตอนที่เกิดมาใหม่ๆนีใจของเราเป็นมนุษย์เพราะทำให้ได้เป็นมนุษย์เราจะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันถ้าใจเรายังเป็นเดรัจฉานอยู่เราก็ยังเราก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนแต่ตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้แสดงว่าใจของเรานั้นอยู่ในระดับของมนุษย์ ระดับของมนุษย์เราจึงได้ร่างกายของมนุษย์แต่พอเราจเจริญเติบโตขึ้นมาเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใจของเราด้วยการกระทําของเราด้วยการกระทําบาปหรือทําบุญทําดีหรือทําชั่วการกระทําของใจผ่านทางร่างกายนี้จะเป็นผู้ที่จะมาเปลี่ยนมาพัฒนาให้จิตใจสูงขึ้น หรือดึงจิตใจให้ลงต่ำลงตอนที่เรามาเกิดใจเราเป็นมนุษย์ร่างกายก็เป็นมนุษย์แต่พอเราจเจริญเติบโตขึ้นมาบางคนก็ไปทำบาปกันไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเพณีไปพูดปดไปดื่มสุรายามเมาพอมีการกระทำบาปต่านี้แล้ว จิตใจที่เคยเป็นมนุษย์ก็จะเริ่มกลายเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างถ้าเป็นถ้าทำด้วยความหลงก็เป็นเดรัจฉานถ้าทำด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตถ้าทำด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกายถ้าทำด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะเป็นนรกใจก็จะเปลี่ยน จากมนุษย์กลายเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรตเป็นอนุรกายหรือเป็นนรกในขณะที่ร่างกายก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจได้เปลี่ยนไปแล้วผู้ที่รับผลของการกระทำนี่คือใจหลังที่เราเคยได้ยินได้ฟังหรือได้สวดกันว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะต้องเป็นทายาเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆไป <c oughs> กรรมก็คือการกระทําเป็นกรรมกลางๆไม่ใช่ดีหรือชั่ว <c oughs> กรรมแปลว่าการกระทําผ่านทางร่างกายเรียกว่ากายกรรมผ่านทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมผ่านทางใจคือความณ์ฟิตรียกว่ามโนกรรม <c oughs> นี่ละคือกรรมสามกรรมกรรมที่เป็นผู้สั่งการนี่แหละเป็นผู้กระทําและเป็นผู้ต้องรับผลของการกระทําก็คือมโนกรรมมโนก็คือใจการกระทําของใจด้วยความคิดคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายทําตามคําสั่งคิดให้ไปลักทรัพย์คิดให้ไปประพฤติผิดประเพณีคิดให้ไปพูดปลดลอ หรือคิดให้ไปดืม่มสุรายาเมาเป็นต้นพอสั่งผ่านทางพอสั่งไปทางร่างกายร่างกายก็ไปทำเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นมีผลเสียหายเกิดขึ้นผลของกรรมก็ก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์ใจที่เคยเป็นอะไรอยู่ก็จะค่อยกลายไปเป็นอย่างอื่นแทนขึ้นอยู่กับกรรมชนิดไหนที่ทำกั น, นอไว้ เรามีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมจะทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะดีหรือจะหรือจะชั่วเราก็คือใจจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้เป็นผลที่ไม่มีใครไปมีอิทธิพลไปเปลี่ยนได้ไม่เหมือนผลที่จะเกิดขึ้นกับทางร่างกาย ถ้ามีที่คนทางการเงินก็ดีทางการเมืองก็ดีหรือทางไหนก็ดีก็อ า, อาจจะสามารถเปลี่ยนผลที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้แทนที่จะถูกจับติดทุกติดตารางก็ไม่ต้องติดคุกก็ได้มีวิธีใช้เงินใช้ทองใช้อำนาจาสามารถทำให้ไม่ต้องไปติดทุก หรือมีถ้ามีเงินทองก็อาจจะสามารถหลบหนีออกไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ดัง น, น, นั้นเราอย่าไปดูเรื่องผลของการกระทาของใจที่ร่างกายเพราะว่าร่างกายมันไม่เปลี่ยนตามผลที่ได้กระทาไว้ทำบาปขนาดไหนร่างกายก็ยังเป็นร่างกายอยู่ ร่างกายก็ไม่ได้กลายเป็นสัตว์สีเท้าสัตว์เดรัจฉานแต่อย่างใดแต่ใจนี่แหละใจได้กลายเป็นเดรัจฉานไปแล้วแต่เรามองไม่เห็นใจกันเราเลยไม่รู้อย่างที่เราเคยได้ยินคำพูดอยู่ว่ารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจเราเห็นหน้าเขาเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาพูดจาสุภาพเรียบร้อยแต่ใจของเขาอาจจะเป็นมหาโจรก็ได้เราไม่รู้ S <S ทุกว่านี้ที่คนเราถูกหลอกลวงกันก็เพราะรู้แต่หน้าหน้านี้เขาทำสร้างฉากจัดฉากขึ้นมาอย่างสวยงามมีทรัพย์สมบัตเิเงินทองมากมายเป็นร้อยล้านพันล้านมีมีคอนโดหรูอยู่มีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าราคาแพงแพงมีเครื่องประดับราคาแพงแพง แต่งเนื้อแต่งตัวแต่ละครั้งนี่ <Okay. S 1> มีราคาเป็นล้านเป็นสิบล้านขึ้นมา <Okay. S 1> นี่เป็นการจัดฉากจัดภาพว่าเป็นคนดีคนเจริญคนร่ำคนรวย <Okay. S 1> เพราะเรามักจะเรามักจะผูาากผความรวยกับความดีไว้ด้วยกัน <Okay. S 1> ถ้าเขาไม่ดีเขามัรวยไม่ได้หรอก <Okay. S 1> เราจับไปมองในในบะ <Okay. S 1> ในภาพแบบนั้นกัน <Okay. S 1> เขาก็เลยสามารถมาหลอกคน ใจเขานี่อาจจะเป็นโจรเป็นมหาโจรที่จะมาคอยป้นเงินป้นทองของเราโดยการใช้ภาพของร่างกายที่สวยงามที่หรูหาที่น่าเชื่อถือว่าถ้าเขาเป็นคนรวยเขาก็ต้องไม่โกงเขาต้องเป็นคนดีก็ต้องเป็นคนพูดจรงิงเป็นคนซื่อสัตย์แต่ที่ไหนได้โดนหลอกกันเป็นไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคนเพราะการไปดูภาพของคน ไม่ได้ไปดูที่ใจของเขาเพราะดูใจของเขาไม่เป็นไม่มีปัญญาจึงเลยกลายเป็นเหยื่อของคนที่เขามีความคิดที่ไม่ดีต่อเราอันนี้คืออย่าไปดูแต่ร่างกายแล้วก็ไปตัดสินว่าร่างถ้าเห็นร่างกายเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาต้องเป็นคนดีร่างกายเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาจะเป็นคนชั่ว มันไม่แน่นอนหรอกแม้แต่มาบวชเป็นพระก็ไม่ได้หมายความว่าร่างกายเป็นพระแต่ใจก็อาจจะไม่ได้เป็นพระก็ได้อันนี้ไม่ได้พูดพูดถึงใครเป็นพูดตามหลักธรรมว่าร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกความเป็นจริงของจิตใจคนที่มาบวชเป็นพระแล้วกลายเป็นโจรไปก็เยอะคนที่เป็นโจรแล้วกลับกลายมาเป็นพระก็มีเหมือนกัน ในสมัยพุทธกาล <c oughs> ก็มีองคุลิมานเป็นมหาโจรฆ่าคนตายเป็นเกือบพันคนเก้าร้อยเก้าสิบ้าคนแต่พอมาพบกับพระพุทธเจ้า <c oughs> พยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะอำนาจบา ร, รมีของพระพุทธเจ้านี้ทำให้องคุลิมานไม่สามารถไล่ทัน ไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าได้จนในที่สุดองค์คุลิมานก็ตะโกนบอกพระพุทธเจ้าว่าท่านหยุดได้แล้วเราวิ่งตามท่านแทบเป็นแทบตายนี่เราก็วิ่งไม่ทันท่านอยู่ดีพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่ได้หยุดเธอไม่ได้หยุดจากการกระทําบาปนั่นเองเธอไม่ได้หยุดจากการฆ่าเรา <ừ. S 2> การฆ่าคนมันไม่ใช่เป็นการวิถีทางที่ทำให้เป็นผู้ประเสริฐการที่จะทำให้เป็นผู้ประเสริฐต้องฆ่ากิเลสตัณหาต้องหยุดกิเลสตัณหาอรุทเจ้าบอกเราหยุดแล้วหยุดจากความโลธความโกรธความหลงความอยากฆ่าผู้อื่นอยากเอาผลประโยชน์จากผู้อื่นเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดเธอตามฆ่าคนนั้นคนนี้เพราะเธอถูกหลอกให้คิดว่า เมื่อเธอได้ฆ่าคนครบหนึ่งพันคนแล้วเธอจะกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาพระเจ้าพอพู ด, พดธรรมะให้ฟังองคุลิมานก็เข้าใจกลับใจเปลี่ยนใจจากการที่จะไปฆ่าคนมาฆ่ากิเลสทฆ่าความโลภแทนฆ่าความอยากเป็นใหญ่เป็นโตด้วยการกระทำบา a mm hmm. พอฆ่ากิเลสตัญหาที่มีในใจหมดได้ ใจขององค์คลิมานก็กลายเป็นพระขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแต่ร่างกายก็ยังเป็นร่างกายของมหาโจรอยู่ถึงแม้จะมาบวชนุ่งทะนุ่งนุ่งห่มผ้าเหลืองโกนศรีรษะแต่ชาวบ้านก็ยังจําได้ว่าเป็นองค์ุลิมานมหาโจรอยู่เวลาไปผ่านไปทําหมู่บ้านที่เขาจําได้ก็จะถูกชาวบ้านไล่ไล่เพี้ยงด้วยก้อนหิน อันนี้ร่างกายมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามการกระทําของใจ<ม>จะทําดีทําชั่วร่างกายก็ยังเป็นคนเก่าคนแก่คนเดิมอยู่นี่เราดูได้ว่าคนดีหรือคนชั่วก็ต้องดูที่พฤติกรรมของเขาว่าเขาทําบุญหรือทํำบาปแล้วก็ต้องดูไม่ใช่แค่ดูแค่ผิวเผินดูแค่ครั้งสองครั้ง<ม>เพราะการทําบุญแบบสร้างภาพก็มีอยู่เยอะแยะสมัยนี้ คนที่ต้องการสร้างภาพว่าตนเองเป็นคนใจบุญนี้เม่อจะทำบุญแบบออกหน้าออกตาต้องมีสื่อต่างๆมาคอยถ่ายภาพไปลงไปลงตามสื่อต่างๆให้ชาวบงชาวบ้านเขาเห็นว่าโอวคนนี้ใจบุญใจทานทำบุญช่วยเหลือคนนั่นคนนี้แต่ความจริงมันเป็นการโฆษณาเป็นการทำการตลาดสร้างความเชื่อหน้าเชื่อถือให้กับตนเอง เพื่อที่เวลาขายสินค้าเวลาจะโกหกหลอกรวงในการขายสินค้า mm hmm. ก็จะมีคนเชื่อถือเพราะเชื่อเพราะเห็นภาพที่ดีของเขาง mm hmm. นั้นถึงแม้คนจะทำบุญถ้าเขาทำบุญแบบมีการจัดฉากหรือมีการมีการ mm hmm. บันทึกภาพเสียง mm hmm. แล้วเอาออมาเยผยแพร่ในในสื่อต่างๆนี้ก็ขอให้ S <S <S <an> <S คิดเผื่อไว้ว่ามันเป็นการโฆษณาหรือเปล่าเพราะคนที่เขาทำบุญทำทานจริ ง, รงๆนี่เขามักจะเป็นแบบพวกปิดทองหลังผ้ากันเขาไม่ต้องการที่จะให้ใครมารู้เรื่องราวของการทำบุญของเขาเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาไม่ต้องการให้มีใครมาเชื่อถือเขามาเคารพนับถือเขามาให้รางวีรางวัลกับเขา เขาพอใจกับผลที่เกิดจากการทำบุญอันเบอร์สุดใจของเขาคือ ท, ทำบุญแล้วทำให้เขามีความสุขใจอิ่งใจสบายใจและถ้าเขาเชื่อในเรื่องอำนาจของบุญเขาก็เชื่อว่าเขาตายไปเขาก็จะได้ไปสวรรค์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถที่จะมาทำให้กับตัวเขาได้นอกจากตัวเขาเองการไปการไปทำจัดฉาก ทำภาพโฆษณาอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นการโฆษณาเพื่อหวังผลตอบแทนทางใดทางหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าไม่หวังผลตอบแทนแล้วไปเสียเวลาสร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมาทำไมให้มันเหนเ็ดเหนื่อยไปเปล่าๆถ้าคนทำบุญเพื่อความสบายใจแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาไปจัดทีมมาทำถ่ายภาพถ่ายบันทึกเสียงไปลงต่างสื่อต่างๆ ตรงนี้เขาลงทุนเพื่อสร้างภาพอันดีงามเพราะเขาทามาค้าขายต้องมีเครดิตต้องมีคนเชื่อว่าเป็นคนดีเป็นคนใจบุญเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงกระถินลองไปดูในเสื่อเดี๋ยวก็มีล้วเนี่ยคนนู้นทำบุญกี่ล้านทำถวายกระถิ่นว่านู้นวันนี้กี่ลงกี่ล้านถ้าลองไปเป่าประกาศแล้วก็ ก็น่าสงสัยไว้ก่อนนะอย่าอย่าไปเชื่อทันทีว่าเอ้ยมันเป็นการจัดฉากหรือเปล่าเป็นการโฆษณาหรือเปล่าแม้แต่บริษัทใหญ่ๆโตๆเวลาทำทำบุญอะไรทั้งอย่างก็ต้องมีการลงสื่อมีการถ่ายภาพอย่างน้อยก็ต้องมีนักข่าวมาถ่ายภาพไปลงหนังสือพิมพ์หรือบางทีก็ทําเป็นสารคดีของบริษัทไปว่าบริษัทนี้ทําคุณทําประโยชน์ให้กับสังคมอย่างนั้นอย่างนี้นะ เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงประชาชนมุ่งมั่นที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนแต่ความจริงมันทำเพื่อประชาชนหรือทำเพื่อตัวมันเองกันถ้ามันทำเพื่อประชาชนมันทำไมจะต้องมาโฆษณาตัวมันเองด้วย่างที่มันทำนี่มันทำเพื่อตัวมันเองทำเพื่อมันจะได้ขายของขายดิบขายดีขึ้นก่อมีความเชื่อถือใน ในในบริษัทของตนในการกระทาของตนก็ะจะมาแทนที่จะไปซื้อสินค้าของบริษัทที่ไม่ได้มีการทําบุญทำทานก็มาช่วยทำบัก บ, บริษัทที่มาทําบุญทำทานอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ไปทําบุญทำทานทําความดีแล้วปรากฏในสื่อนะมันอยู่ที่ว่ามีเจตนาหรือไม่มีเจตนาบางคนเขาทาด้วยความ โดยสุดแล้วเขาก็ต้องการที่จะรายงานการกระทําของเขาให้แก่ผู้ที่ร่วมบุญด้วยอันนี้เขาก็ไม่มีเจตนาที่จะสร้างภาพแต่เป็นการเป็นการยืนยันว่าเงินทองของผู้ที่ได้บริจาคมานี้ได้เอามาใช้ประโยชน์ตามตามรายละเอียดต่างๆที่เขาปรากฏขึ้นมาให้เห็น อันนี้ก็พูดถึงเรื่องการทําบุญที่อาจจะเป็นการสร้างภาพก็ได้มไม่ได้เป็นการกระทําเพื่ อ, อเพื่อจิตใจโดยตรงไม่ได้พัฒนาจิตใจยังหวัพัฒนาทางด้านลาบยศทรัเสริญสุขอยู่<ม>ถ้าแบบนี้ก็ผลทางด้านจิตใจก็อาจจะไม่เกิดก็ได้หรือเกิดก็อาจจะน้อยก็ได้มไม่ไม่เต็มร้อยเหมือนกับการทําบุญแบบปิดทองหลังพระเนี่ย ปิดทางหลังพระนี่ไม่ต้องการให้ใครรู้แต่บางทีเราจะมีการประกาศชื่อของผู้บริจาคบางคนก็บอกว่าผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยขอบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้อันนั้นแหละก็เป็นคนที่ไม่ต้องการที่จะสร้างภาพให้กับใครทำบุญเพื่อจิตใจของเขาให้มีความนุ่มเย็นเป็นสุขแล้วถ้าตายไปขอให้บุญนี้ได้พาให้เขาได้ไปสู่สุคติ คราวนี้เขาก็พอใจแล้วเขาหวังพัฒนาจิตใจของเขาด้วยการทําบุญไม่ได้หวังพัฒนาทางด้านลาบยศชลเสริญสุขแต่อย่างใดดะงนั้นก็คือสรุปก็คือเวลาที่เราเห็นเขาโฆษณาเรื่องการทําบุญต่างๆนี้ก็ขอให้ฉเฉลียวใจไว้บ้างฉลาดแต่ไม่ฉเฉลียวก็ถูกหลอกได้ฉลาดแล้วก็ต้องฉเฉลียวว่าเอ๊ะเขาทํานี้ทําเพื่ออะไรกันนะเขาทําเพื่อตัวเขาหรือทําเพื่ออะไร ต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าเขาทำเพื่อประโยชน์อย่างไรบางทีก็ต้องมีการแสดงมีการแจ้งให้รู้ว่าได้ทำบุญทำทานไปแล้วถ้าเป็นเงินของผู้บริจาคหลายหลายถ้าไม่เอามาแสดงก็เดี๋ือก็อา จ, จะว่าไม่บริสุทธิ์ใจก็ต้องมีการแสดงอยู่เหมือนกันเราต้องดูที่เจตนาของการแสดงเวลาใครเขาแสดงผลของการทำบุญของเขาเนี่ย เราก็ต้องมีความเฉลียวบ้างว่ามันเป็นการสร้างภาพหรือว่าเป็นการเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจเป็นการบอกความเป็นจริงให้ทราบต่อผู้ที่ได้ร่วมบุญได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยจะได้รับทราบและอนุโมทนาต่อไปฉะนั้นการเรื่องของการทำบุญนี้เราก็ต้องดูถ้าเรายังไม่สามารถค้นหาสาเหตุของการของการเ เผยความเผยการกระทําของเขาได้ว่าเขามีเจตนาอย่างไรเราก็อย่าพึ่งไปเชื่อหรืออย่าพึ่งไปปฏิเสธอย่าไปเชื่อตามเขาหรืออย่าไปปฏิเสธตามเขาเราก็ให้รู้ไว้เฉยๆว่าเขาทําอย่างนี้เขามีเจตนาอย่างไรเพื่อโลกกระทำหรือเพื่อการพัฒนาจิตใจของเขาหรือเพื่อแจ้งให้ผู้ที่ร่วมบุญได้รบทราบว่าได้กระทําอะไรไปแล้วบ้างกับทรัพย์เงิน เงินที่เขาได้บริจาคมา yeah. Yeah. เพื่อเราจะได้ไม่ถูกหลอกเพราะเดี๋ยวนี้มีการอาศัยการทำบุญทำความดีต่างๆบางทีภาพ <Yeah. S 1> ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ถูกจับเขา่ากเข้าไปเป็นปรีเซนเตอร์ด้วยโดยไม่รู้สึกตัว <Yeah. S 1> บางทีเรา <laughs> <laughs> มีคนมาทำบุญ <laughs> แล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรนี่เราก็ซักยังว่างเลยสงสัยนะ <laughs> แต่ก็บางทีก็ต้องเลยตามเลย <c oughs> ถือว่าเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์กับเรากันเราไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวถ้าเราทําด้วยเจตนาบริสุทธิ์เรามีการยืนยันได้ความจริงเป็นอย่างไรมันเปลี่ยนความจริงไปไม่ได้แต่ถ้ามีความระมัดระวังไว้บ้างก็ดีมีความเฉลียวบ้างก็ดีว่าเอ๊ะเขามีเจตนาอะไรกันแนะ่เขาจะใช้เราเป็นเครื่องมือในการ สร้างภาพของเขาหรือเปล่า <S <S แล้วคนยุคนี้สมัยนี้รู้สึกว่าเป็นยุค <S <S ไฮเทคมีความรู้อะไรที่แปลกๆใหม่ๆเลือกซึ่งมากมายวิธีการที่ฉลองร่าคนนี้มีแบบๆแบบแปลกๆใหม่ๆแต่ถ้าเราใช้หลักธรรมนี้มันจะ ม, มาแบบไหนก็ตามเราต้องดูที่เจตนาให้ได้ก็แล้วกันว่าเจตนาของการกระทําของเขานี้ เป็นบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์หรือเป็นเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรายังไม่สามารถบ่กบอกชี้ได้ว่าเขามีเจตนาอย่างไรก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเขา้า 100% ก็แล้วกันเชื่อแบบฟังหูไว้หูเอาพูดยังไงก็รับฟังรับฟังแต่ไม่ไม่เชื่อ 100% แต่ก็ไม่ปฏิเสธ 100% ขอดูเวลาไปก่อน เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาดูกันไปเรื่อยๆก่อนถ้าเขาเป็นทองคำทองแท้เอาไปเผายัางไงมันก็ไม่ไหมทองก็ยังเป็นทองอยู่เหมือนเดิมถ้าเป็นทองทองปลอมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไหมไปหมดหายไปหมดนั้นต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มา มาตัวนี้จะวิ่งเก่งหรือไม่วิ่งทนหรือไม่ก็ต้องดูระยะทางที่เขาวิ่งเขาวิ่งได้กี่กิโลเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการการทาบุญที่จัดฉากหรือไม่จัดฉากก็ตามแต่เมื่อมาพูดถึงก็อยากจะให้เข้าใจเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ศึกษาทางด้านธรรมนาแล้วนี้จะไม่รู้ว่าการทาบุญนี้เป้าหมายหลักคือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ไม่ได้มาพัฒนาทางด้านร่างกายราบยศสารเสริอร่างกายก็ยังเป็นเป็นมนุษย์เหมือนเดิมทำบุญเท่าไหร่ก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนเดิมอยู่ mm hmm. แล้วก็ร่างกายก็ยังต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมอยู่อันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามาดูทางร่างกายมาดูทางโลกธรรมทางราบยศสารเสริญสุขทําไมทําบุญแล้วทําไมไม่รวยขึ้นทําไมยศตำแหน่งไม่สูงขึ้นทําไมไม่มีใครเขายกย่องสรรเสริญเยืนยอ ให้รางวี่รางวัลอะไรต่างๆอันนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลที่แท้จริงของการทําบุญทําความดีผลของการทําบุญทําความดีคือการเป็นการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจากมนุษย์นี้ถ้าเราอยากจะสูงขึ้นกว่าเป็นมนุษย์ขึ้นไปเป็นการเป็นเทวดาเนี่ยเราก็ต้องมีการทําบุญถ้าเรารักษาศีลอย่างเดียวไม่ทําบาป เราก็ป้องกันจิตใจของเราไม่ให้ลงต่ำไม่ให้กลายเป็นเดรัจฉานไม่ให้กลายเป็นเปรตไม่ให้กลายเป็นศูนยลกายหรือไม่ให้ไปตกนรกนี่รารักษาศีลไว้ก็เป็นการป้องกันไม่ให้เสื่อมเสื่อมจากการเป็นมนุษย์ถ้าเรารักษาศีลอย่างเดียวศีลห้าแต่เราไม่ทำบุญทาทานเราเสียดายเงินทองหาเงินมาถ้าเป็นแทบตายเราก็ยังหวงอยู่ ยังห่วงอยู่กลัวว่าเดี๋ยวต่อไปแกเวลาแกเวลาเจ็บเวลาตายอยาจจะไม่มีเงินทองมาเลี้ยงดูตนเองอก็เลยหวงเงินหองทองอันนี้ก็พอเข้าใจได้แต่มันก็ต้องมีมีเหตุมีผลว่าเราต้องการใช้เงินมีเงินไว้เท่าไหร่สหรับเลี้ยงดูร่างกายเพราะว่าใจของเรานี้มันยังไม่ตายไปกับร่างกาย ใจของเรานี้สามารถรับประโยชน์จากเงินทองที่เรามีอยู่นี้ได้ถ้าเรารู้ว่าเราสามารถเอาเงินทองนี้ไปทําบุญแล้วไปพัฒนาจิตใจของเราจากการเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นเทวดาขึ้นมาก็ได้ถ้าตายไปเราก็จะได้ไปสู่สุคติไปอยู่ในสวรรค์ก่อนไปสวรรค์ก็เป็นเหมือนที่เราไปท่องเที่ยวในในโลกมนุษย์นี่แหละ เวลาเดินทางไปต่างประเทศกันไปเที่ยวที่เมืองนั้นเมืองนี้ไปเที่ยวที่เกาะนั้นเกาะนี้ภูเขานั้นภูเขานี้ไปดูอะไรต่างๆไปพักโรงแรมที่มีบริการอย่างสุขอย่างสบายอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราตายไปใจเราก็จะได้ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวในสวรรค์กันถ้าเราได้ทำบุญกันถ้าเราไม่ได้ทำบุญเลยแต่เราไม่ได้ทาบาปเราก็จะกลับมา รา เ, าเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแต่เราจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวในในโลกทิพย์กันดังนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจของเราจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพเป็นเทวดาเนี้เราต้องต้องรักษาศีลห้าให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ทำบุญทำทานบริจาคเงินทองด้วยวิธีการต่างๆเช่นช่วงหน้านี้เป็นช่วงก็ถินก็บริจาคไป ใครส่งซองมากี่ซองก็ใส่เข้าไปใส่ไปตามกําลังเราก็ตั้งตั้งตั้งงบประมาณไว้สําหรับการทําบุญก็แล้วกันสมมติปนี้ก็เห็นจะบริจาคพันบาทนถ้เาเอามาพันซองก็ใส่ไปพันซองละบาทถ้า <c oughs> <c oughs> ได้สิบซองก็ซองละร้อยนี้เป็นต้นเรามีงบประมาณเท่านี้เราก็ทําตามงบประมาณของเรา <c oughs> อย่าไปนังเกลียดอย่าไปคิดว่าโอ้ยถูกรีดถูกอะไรถูกไถ่ mm hmm. เขาก็ไม่ได้รีดไม่ได้ไถหรอกเขาก็เพียงแต่มาบอกบุญะ mm hmm. ก็ยังเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะใส่เงินไปในซองและมากน้อยเท่าไหร่ก็อยู่ที่เรา mm hmm. ถ้าเรารู้ว่าเราจะทําบุญปีนี้เท่าไหร่เราก็ใส่ไปเท่านั้น mm hmm. ถ้ารู้ว่ามาหลายซองหลายวัดก็แบ่งกันไป mm hmm. mm hmm. อันนี้ก็เราก็สามารถจะทําบุญได้ mm hmm. นี่คือวิธีการที่เราจะพัฒนาแบบยั่งยืนเพราะถ้าเราเป็นเทพแล้วเราก็จะอยู่ไปเป็นเทพไปเรื่อยเวลาตายไปนี่เราก็จะไปอยู่เป็นเทพบนสวรรค์ไปจนกว่าบุญที่เราทำไว้มั น, มนหมดกําลังลงบุญที่ทำในระดับของเทพนี่ยั ง, ยงจเจริญแล้วก็เสื่อมได้พอบุญหมดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็จะกลับมาทำบุญใหม่เพราะว่ามันมีมันติดเป็นนิสัยไปแล้วคนที่เคยทำบุญจะกลับมาแล้วเวลากลับมาเกิดก็จะชอบทำบุญต่อเพราะว่าเวลาทำบุญแล้วมีความสุขกว่าเวลาเก็บเงินเก็บทองไว้เวลาเก็บเงินเก็บทองไว้บางทีกับต้องมาทุกข์กับเงินทองที่เก็บไว้กลัวจะถูกเขาขโมยบ้างกลัวจะหายบ้างตายไปก็เอาไปไม่ได้ เอาไปทำบุญดีกว่าทำบุญแล้วมีความสุขใจอิ่มใจสบายใจไม่ต้องกังวลกับเงินที่เราได้ทำบุญไปเป็นความกังวลของคนอื่นต่อไปโยนความกังวลให้คนอื่นเขาตอไปอเพราะว่าไม่มีเงินที่เราจะต้องกังวลแล้วเป็ที่เราได้ก็คือความสุขใจสบายใจจากการทำบุญเงินก้อนนั้นไปความสุขใจสบายใจนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ติดกับใจเรามา พอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอเรามีฐานะมีเงินทองที่จะทำบุญได้เราก็อยากจะทำบุญต่อไปเพราะทุกครั้งที่เราทำบุญแล้วเราเกิดมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจสบายใจแล้วพอเราตายไปเราก็จะกลับไปสวรรค์ใหม่นี่คือวิธีรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในระดับของเทพทุกภพทุกชาติ พอมาเกิดเป็นมนุษย์มีเคยทาบุญทําทานมาเป็นนิสัยมันก็จะทําทําบุญทําทานต่อเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพอเวลาตายไปบุญที่เราทําไว้ก็จะส่งให้เราไปเป็นเทวดากันายเป็นเทวดาตั้งแต่เป็นมนุษย์แล้วพอเราเริ่มทําบุญปั๊บนี้ใจเราก็เริ่มเปลี่ยนจากมนุษย์ขึ้นไปเท่าเล็กเท่าน้อยอาจจะเปลี่ยนท่สิเอร์เซ็น้าสิบยี่สิบเปอร์เซนหรือหเปอร์เซ สซแล้วแต่ว่าเราทํามากทําน้อยทําบุญมากเราก็จะเปลี่ยนใจของเราให้เป็นเทพมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่ทำบาบยิ่งยิ่งจะดีเพราะถ้าเรามาทําบาปด้วยทําบุญด้วยอันนี้บาปกับบุญมันก็จะมาแย่งใจม า, มาตัวหนึ่งก็จะดึงใจให้สูงขึ้นตัวหนึ่งก็จะดึงใจให้ต่ําลงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนมีกําลังมากกว่ากัน พอเวลาตายไปถ้าบาปยังมีกำลังมากกว่า บ, บุญบาปมันก็ยังดึงให้ใจไปเป็นเปนเรตเป็นเดรัจฉานได้แต่ถ้าบุญมากกว่า บ, บาปเนี่ยบาปไม่สามารถดึงใจให้ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตได้บุญก็จะดึงใจให้ไปเป็นเทวดาแทนถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าทำบาปเลยเพราะทำบาปมันมีแต่โทษไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ต่อจิตใจ ทำบุญมันมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์กับจิตใจไม่ทําบาปนี่ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะการไม่ทําบาปก็จะทําให้ใจไม่เสื่อมต่ําลงแล้วถ้าทําบุญทำทางก็จะดึงใจงให้สูงขึ้นขึ้นไปเป็นระดับเทพอพอเราเป็นเทพแล้วเราก็จะมีนิสัยของเทพมีความเมตตากรุณาพวกเทวดานี่มีมีความเมตตาเป็นพื้นฐานจะสงสารคนจะ เป็นเมตต์กับทุกคนเห็ในใครทุกยากเดือดร้อนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือตามกำลังของตนเองมันก็จะติดเป็นนิสัยไปกับจิตใจใทุกภพทุกชาติถึงแม้ว่าบุญที่ทำไว้หมดแล้วต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์<ม>พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาตามบุญใหม่ค อ, คอยชอบทาบุญก็จะกลับมาทำบุญต่อแล้วการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณนี้ก็จะเวียนไล่ตายเกิดในสุคติ ไม่ต้องรอให้คนที่เขาอยู่เวลาที่เราตายไปลขอให้เราไปสู่สุคติเพราะเขาขออย่างไรก็ให้เราไปไม่ได้ uh huh. เราสังเกตไหมเวลาคนตายเเราจะมากว่าขอให้ไปสู่สุคตินะ uh huh. ไปสู่สวรรค์ uh huh. ขอไม่ได้หรอกของพวกนี้มันต้องทำกันเอง uh huh. คนอื่นขอให้ไม่ได้ uh huh. เราถ้าอยากไปสุคติก็ขอให้เราทำบุญเยอะๆทำบุญบ่อยๆทำบุญมากๆทำตามกาลังแต่ให้ทำตามกำลัง ไม่ให้ไปหาไปทํางานหาเงินหาทองเพื่อเพื่อมาทําบุญการทำทำทำงานนี้เพื่อหาหาเงินมาเลี้ยงชีพเพราะเรายังต้องเลี้ยงร่างกายอยู่ร่างกายต้องมีปัจจัยสี่ก็ต้องมีเงินทองมาซื้อปัจจัยสี่แต่เราไม่ได้มาทําบุญเพื่อมาอทํางานเพื่อเอาเงินมาทําบุญเพราะถ้าเราเอาเอาเอาเวลาของเรามาทํางานหาเงินเพื่อมาทําบุญเราก็จะได้เป็นแค่เทวดา ททนที่เราจะไปสูงกว่าเราก็จะไปสูงกว่าไม่ได้เพรานอกเหนือจากการเป็นเทวดาเรายังมีมีภพมีมีภ พ, ม, ม, ม, พ, ม, พ, ม, พมีภูมิที่สูงกว่าเทวดาอยู่อีกสองขั้นด้วยกันขั้นพรหมและขั้นพระอริยบุคคลถ้าเราไม่มีเงินทองแล้วเราคิดว่าเาจะเอาเวลาของเราไปทำมาหากินเอาเงินทองมาทําบุญก็เปลี่ยนเป็นเอาเงินทองเอาเวลามาปฏิบัติธรรมดีกว่า ฝึกสตินั่งสมาธิมาถือศีลแปดถือศีลบวชนีอันนี้เป็นขั้นที่สูงกว่าขั้นเทพคือขั้นพรหมอยากจะไปเป็นพรหมนี้เราก็ต้องปฏิบัติพรห ม, มจรรันทร์ต้องอยู่แบบพรหมใช้ชีวิตแบบพรหมพรหมนี้เขาไม่เสพกามเขาไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆถ้าอยากจะไปเป็นพรหมที่เป็นภพที่ภพภูมิที่สูงกว่าที่มีความสุขความจเจริญมากกว่า พบของเทพเนีเราก็ต้องมาเปลี่ยนวิธีนอกจากเี่วิธีจากการทําบุญมาเป็นวิธีของการมารักษาศีลศีลแปดศีล น, นักบวชแล้วก็ไปเปรีกวิเวกไปหาสถานที่สงบไปเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบอันนี้ถ้าเราไม่มีเงินทองทําบุญอย่าเอาเวลาที่เรามีอยู่นี้ไปหางเงินหาทองมาทําบุญเพราะมันจะได้บุญน้อยกว่าเอาเวลามาปฏิบัติธรรม มาเอาเวลามาบวชกันบวชบวชเป็นนักบวชถือศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองร้อยิบเจ็ดก็ได้แล้วแต่กำลังของเราว่าเราสามารถที่จะถือศีลในระดับไหนได้ก็ไปถือศีลในระดับนั้นกันอันนี้ก็คืออย่าเอาเวลามีค่านี้ไปทำบุญเพื่อมาทำเอาเอาเงินไปเอาเอาเวลาไปหาเงินเพื่อมาทำบุญทาทาน อันนี้ไม่ได้เป็นจุดประสงค์ของการทำบุญทาทานถ้าเรามีเวลาไปทำเราเอ า, เอาเวลาไปหาสติดีกว่าไปหาสตังเพราะเราจะได้พัฒนาจิตใจของเราสูงขึ้นการที่จะทำให้จิตใจของเราเป็นพรหมนี้เราต้องมีสติสัมปชัญญะที่สามารถจะควบคุมจิตใจของเราให้สงบนิ่งให้สามารถนิ่งสงบเข้าสู่ฌานในระดับต่างๆได้ถ้าเราสามารถทาใจให้เข้าสู่ในระดับฌานได้ ใจของเราก็จะกลายเป็นพรหมขึ้นมาพรหมก็มีหลายระดับเหมือนกับสวรรค์ชั้นเทพก็มีหลายระดับสวรรค์ชั้นเทพก็มี6ระดับด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าเราทำบุญมากน้อยเพียงไรทำน้อยก็อยูอย่ชั้นต่ำทำมากก็อ ย, ก อ, ยกอยู่ชั้นสูงชั้นใดสวรรค์ของชั้นพรหมก็มีหลายระดับขึ้นอยู่กับฌานที่เราเข้าว่าเราเข้าสู่ฌานไหนได้บ้างมีฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองถึงขั้นที่8ดด้วยกัน ก็จะทำให้จิตใจเหล่านี้สูงขึ้นสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับการที่จะทำให้จิตใจของเราเข้าฌานได้เราก็ต้องมีสติอย่งั้นแทนที่เราจะเอาเวลาไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำบุญเพื่อเราจะได้เป็นเทพนีเราสู้เอาเวลามามาฝึกสตินั่งสมาธิมาบวชมาถือมารักษาศีลแปดจะดีกว่าเพราะเร า, ราจะได้ความสุขความเจริญที่สูงกว่าระดับเทพนั่นเอง ก็คือเราจะได้ไปเป็นพรหมอันนี้ก็คือการการพัฒนาะระดับจิตใจของเราให้สูงจากเทพให้ไปเป็นพรหมถ้าเราสามารถปฏิบัติเป็นพรหมได้แล้วถึงแม้ว่าพรหมนี้ก็ยังจะเสื่อมเหมือนเทพอยู่เวลาที่เราตายไปเราก็จะเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมไปจนกว่าอํานาจหรืออิทธิพลของฌานที่เราได้สร้างไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้มันหมดกําลังลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ชอบทำที่ชอบไปปฏิบัติธรรมชอบถือศีลชอบถือศีลแปดชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบมีครอบครัวไม่ชอบมีแฟนไม่ชอบเสพการไม่ชอบเสพลูปเสียงกลิ่นรสผุดทะพักชอบสถานที่สงบสงัดพอกลับมาเกิดก็มักจะกลับมาเกิดเป็นนักบวชกันนักบวชเพื่อที่จะได้มีเวลาไปไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปสร้าง ไปสร้างชา้นต่างๆกลับขึ้นมาใหม่อีกแล้วพอตายไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมอีกอันนี้ก็เป็การเวียนว่ายในระดับที่สูงขึ้นในสุคติที่สูงกว่าระดับเทพมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าบุญที่ได้จากจากการทําบุญทําทานมันก็เสื่อมได้หลังจากที่ไปใช้ไปรับผลบุญมาแล้วมันก็หมดได้แล้วก็ บุญที่ได้จากการเข้าฌานมันมันก็หมดได้เวลาตายไปก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็ใช้ใช้ใช้ฌานที่เราได้สร้างมานี้ทำใจให้เรามีความสุขในระดับของชั้นพรหมพอมันหมดกาลังลงเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่พอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะกลับมาทำแบบเดิมที่เราเคยทำไว้ถ้าเราเคยเข้าสมาธิเคยปฏิบัติธรรมเราก็จะกลับมาฝึกสมาธิมาปฏิบัติธรรม ถ้าเราเคยทําบุญทําทานแล้วก็จะกลับมาทําบุญทําทานแล้วแต่ระดับของบุญที่เราทํากันแต่ก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฎของตายรักษณอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเกิดยังมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างบุญใหม่ต่อไปก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคตินี้ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้อง พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจากระดับพรหมขึ้นไปสู่ระดับอริยะเจ้าอริยะบุพอริยะบุคคลที่มีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือระดับโสดาบัน ส, สกิดาคามีอนาคามีอรลหรันอันนี้ถ้าอยากจะยกระดับจากพรหมก็ต้องเจริญวิปัสสนาหรือปัญญาต้องสอนใจให้เห็นกฎแห่งตายลักษ์กฎของอริยสัตสี่ว่า ความทุกข์ใจความเสื่อมของใจเกิดจากความอยากของกิเลสตัณหาถ้าไม่อยากจะให้ใจเสือ่อมไม่ให้ใจกลับมาเกิดก็ต้องกําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปอยากใจให้ได้อันนี้คือกฎของอริยสัจสี่กฎของตายรักษณ์ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากอํานาจของตายรักษณ์อํานาจของการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องกําจัดความอยากต่างๆพระสโสดาบันก็กําจัดความอยากได้ส่วนหนึ่ง ก็ตัดภพชาติให้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติจะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติไม่เกินเจ็ดครั้งในภพของมนุษย์ขั้นที่สองถ้าเป็นพระสกิดาคามีได้ก็ลาความอยากเพิ่มได้มากขึ้นอีกก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวเท่านั้นแล้วถ้าขั้นที่สามเป็นพระนาคามีก็ตัดความอยากเพิ่มได้มากขึ้นไปอีกก็จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เดกต่อไปแต่ยังต้องกลับมาเกิดในในพรหมโลกอยู่นั่น ในสวรรค์ชั้นพรมอยู่แล้วถ้าตัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจกลายเป็นผ้าอาหารขึ้นมาก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจที่ไม่มีเวียนว่ายตายเกิดก็เรียกว่าใจอยู่ที่นิพพาน ท, ที่ที่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือนิพพานนิพพานนี้ก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ได้กำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการ จเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นกฎของของอริยสัจสี่ว่าจิตใจเราเสื่อมเราจเจริญก็อยู่ที่กิเลสตัณหานี้ถ้าไม่มีกิเลสตัณหาจิตใจก็จ ะ, จ ะ, จะเจริญถ้ามีกิเลสตัณหาจิตใจก็จะเสื่อมลงอันนี้ก็เป็ดขั้นของขั้นสุดท้ายของการพัฒนาจิตใจต้องพัฒนาด้วยปัญญาต่ต้องทำเป็นทเป็นขั้นตอนไม่ใช่ข้ามขั้นไปต้องผ่านขั้นเทพก่อนแล้ว ไปไปสู่ชั้นพรหมนอกจากชั้นพรหมถึงจะไปสู่ชั้นพระอริยบุคคลชั้นพระนิพพานได้ตอนตอนน้นเราตอนนี้เป็นมนุษย์เราก็ต้องยกระดับของมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพก่อนและป้องกันไม่ให้เราตกต่ําด้วยการรักษาศี่ห้าไม่ทําบาปไม่ทําบาปเราก็จะปิดประตูบายไม่ต้องกลายไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ เ, าาเป็นฉานเป็นเปรตเป็นรกายมนไปนรก แล้วถ้าเราปิดประตูได้ ป, ดปิดประตูอาบายได้แล้วเราก็เปิดประตูสวรรค์ด้วยการทําบุญทําทานแล้วพอเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นชั้นเทพได้แล้วเราก็ไปเปิดประตูสวรรค์ชั้นพรหมต่อด้วยการไปปฏิบัติเรทธรรมะบวชบวชเป็นนักบวชถือศีลแปดเป็นอย่างต่ําและเว้นการเสพกามแล้วก็ฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบเข้าสู่ฌานในระดับต่างๆจิตใจก็จะกลายเป็นพรหมขึ้นมา แล้วจากผมถ้าเราอยากจะให้เป็นพระอริยบุคคลเราก็ต้องศึกษาทางด้านปัญญาจะสอนใจให้เกิดปัญญาขึ้นที่เรียกวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นว่าจิตของเราจเจริญนุ่งเสื่อมจิตของเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เกิดจากกิเลสตัณหานี่องถ้ามีกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันก็จะดึงจิตใจของเราให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าเรากำจัดก so so so so, so so, ิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ด้วยการเห็นปลายลักษณ์เห็นสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการว่าเป็นทุกข์เพราะของที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงมันไม่ได้ให้ความสุขแบบยั่งยืนแบบถาวรสุขเดี๋ยวเดียวเองสุขของมนุษย์นี่เดี๋ยวพอได้เงินทองมาก็มีความสุขพอเงินทองหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างที่ให้ความสุขทุกอย่างที่เราต้องการที่กิเลสต้องการนี้มันเป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เราก็จะตัดความอยากไปได้พอตัดความอยากไปได้ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ไม <Yeah. S 1> ่ม <Being> ีอะไรที <came S 2> ่จะดึงใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นเทเไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นพรหมเพราะจะไปอยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้าต่อไปนั่นเอง นี่คือเรื่องของการพัฒนาจิตใจที่เป็นการพัฒนาชีวิตแบบยั่งยืนที่พระพเจ้าทุกพระองค์จะนํามาสั่งสอนพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ได้มาสอนให้พวกเรามาเจริญทางด้านโลกธรรมไม่ได้สอนให้เรามาเจริญด้วยลาบยศรเสริญสุขกันแต่ให้เรามาเจริญด้วยการปฏิบัติด้วยการล ะ, ละการกระทํำบาปเพื่อปิดประตูบายแล้วสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยการขึ้นสูบ สู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วก็มาให้ชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจเพราะจิตใจจะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมและสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของการพัฒนาชีวิตที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปเรนติสาขลัง เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวสมิจโตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณนิโชติอระโสยธาสัพพีติวิวัจฉันโตสัพพโลควินาศโต มาเตภวตวันตาายุสุขิคาโยโกภวะอภพิวาทานสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวัทานติอายุวันโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถาม มีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะคุยกันต่อดังนั้นถ้ามีคำถามอะไรอยากจะถามก็ถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังทรรมานากุฏจากทาง Facebook 343ท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาต314 YouTube ดร V 55วิทยุออนไลน์13 Clubhouse 4นากุฏ160รวมทั้งหมด889ท่านค่ะ View your next question พอมีคําถามครับอช่ uh, <ch> ครับ we I mean, right? <clears throat> Hello. I understand the teachings describe how a good person can be reborn into another form. How can I know what kind of spirit I had before I was in this body? Oh, that takes a lot of work. You have to become a monk and meditate. Then you'll be able to see the spiritual beings. But if you don't meditate, you cannot see your the spiritual beings with your your physical eyes. So you need to become a monk so that you can have the time to meditate like the Buddha. Once you became once you become enlightened like the Buddha, then you can see, you can trace the spirit beings where they go from here, and when will they come back again as a human again? So this takes a lot of hard work. So it's easier just to trust the Buddha, and then follow his teaching. At least you will be guaranteed a good birth if you do good deeds, like helping other people, do charity work, and not hurting other people by keeping the precepts, abstaining from killings, from stealing, from committing adultery, from lying, from drinking alcohol. These are the actions that can cause your spirit to. to to go go down, not go up. And if you want your spirit to go up, be be kind, be nice, be be generous in helping other people who are in need. Then your mind will be, your spirit will be happy. So when you when the body dies, the spirit will go to a happy state. We call heaven. But we will return again after. Our, our good deed expire, then we come back and reborn as human again. But we will have the the tendency to do what we used to do before. If we used to be nice, be kind, be helpful, be charitable, we will continue this trait when we come back as a human being. So we we'll, we we'll, we still have to be be reborn. We'll be reborn in, in a happy state every time. But if we, if we want to not come back and return at a l l we have to practice becoming a monk and meditate and get rid of our, all our cravings, because our cravings are the cause of our rebirth. If we can get rid of our cravings, then there will be no rebirth for for our for our mind. And when there is no rebirth, no aging, sickness, or death will follow. And this is basically the teaching of the Buddha. Okay. Okay. Thank you very much. You r e welcome. Question from YouTube, p r o f e s s u s h a a ka. ตอนนั่งสมาธิหากตอนแรกเรากําหนดท่องพุทโธพุทโธแต่ระหว่างนั่งสมาธิจิตเรเปลี่ยนคําบริกรรมพุทโธเป็นสวดมนต์เองเราควรจะดึงจิตกลับมาพุทโธต่อหรือสวดมนต์บทนั้นต่อแทนคะก็ขอให้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆถ้าเปลี่ยนไปที่สวดมนต์แล้วอยู่กับสวดมนต์ได้ก็สวดไปถ้าอยู่กับพุทโธแล้วมันไม่อยู่ก็เปลี่ยนเป็นสวดมนต์ก็ได้แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วก็ควรจะอยู่กับบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆ แต่ความจริงถ้ากลับไปสวดมนต์นี่อาจจะกลับมาที่พุทธโธใหม่ก็ได้เพราะการสวดมนต์นี้จะได้ผลน้อยกว่าการใช้คำบริกรรมพุทธโธแต่ถ้าเรายังไม่ใช้สามารถใช้คำบริกรรมพุทธโธได้เราใช้บทสวดมนต์ได้แล้วก็กลับไปใช้บทสวดมนต์ไปก่อนจนกว่าใจเราจะมีสติมากขึ้นแล้วสามารถกลับมาเปลี่ยนเป็นพุโทโธได้หรือดูลมหายใจเข้าออกได้เราก็กลับมา เป้าหมายก็คือให้เราทำงานให้น้อยที่สุดคิดให้น้อยที่สุดคิดคำเดียวมันก็จะทำให้จิตนิ่งสงบได้มากกว่าที่เราคิดหลายๆคำเช่นบทสวดสวนมนต์ต่างๆอันนก็ต้องสังเกตดูว่าอย่างไหนมันเป็นมันเหมกับเราเราท เ, เราทำแล้วมันได้ผลคือความสงบก็ทำไปเรื่อยๆก่อนคำถามจากคุณสีวาการค่ะ ตอนนี้ผมฝึกสมาธิแต่ศีลห้าไม่สมบูรณ์บุญจากสมาธิจะศูญเปล่าไหมครับเปลก็เรื่องของบาปเวลาไปทาบาปมันก็มันก็ไปสร้างสร้างโทษให้กับใจของเราเวลามานั่งสมาธิก็มาสร้างความสุขให้กับใจของเราก็มันก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ถ้าไม่ทำบาปเลยมันจะทำให้เรามามีเวลามาสร้างสมาธิได้มากขึ้น เราได้ความสุขความเจริญทางด้านจิตใจสูงขึ้นมากขึ้นไปงั้นพยายามละบาปให้ได้แต่ถ้าเริ่มต้นยังมีการทําบาปบ้างบางครั้งบางคราวเพราะเรายัางห้ามไม่ได้ก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆก่อนพยายามถือศีลไปให้มากให้บริสุทธ์ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆก่อน mm hmm. อย่าไปกังวลว่าต้องสือศีลให้บริสุทธ์แล้วค่อยมาอนั่งสมาธิ mm hmm. เราแยกแยะได้เวลานั่งสมาธิเราก็ไม่ได้เราก็มีศีล น, นะ้ อย่างเช่นญาตโยมตอนนี้นั่งนี่ญาตโยมไม่ได้ทำบาปใช่ไหมไม่ได้พูดปดใช่ไหมไม่ได้ไประพฤติไปเประพฤติผิดประเพณีไม่ได้ไปรักทรัพย์ก็ถือว่ามีศีลแล้วขณะที่เรานั่งสมาธิแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วอยากจะไปขโมยเงินของคนอื่นก็จะนั่งไม่ได้ยันต้องลุกขึ้นไปขโมยเงินเขาก่อนคําถามจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะไม่มีไม่มีภ้ากรถินแต่มี ไม่มีผ้ากรถินนักสิ่งของแต่โอนเงินไปร่วมบุญกรถินเช่นนี้โยมจะได้สําเร็จเป็นบุญกรถินดังผู้ที่ได้ถวายผ้ากรถินหรือเปล่าเจ้าคะได้เหมือนกันนะเพราะว่าบุญกรถินก็คือการสำระทรัพย์ของเราเพื่อไปซื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซื้อผ้ามาก็เป็นกรถินไปซื้ อ, อซื้อยารักษาโรคก็เป็นเป็นส่วนประกอบขององค์กรถินไปได้เหมือนกันนะเป็นการทําทานเหมือนกัน มาแล้วเหรอาอาเชิญเข้าม า, า, ม า, เามาเอามาไมค์แครฟนมาพูดกับนวมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะเวลาเราปฏิบัติเราควรจะปฏิบัติยังไงเราถึงจะสามารถพบตัวผู้รู้ได้อย่างรวดเร็วอ่ะค่ะเราต้องฝึกสติทั้งวันทั้งคืนนะพุทโธทั้งวันทั้งคืนได้ป่ายกเว้นเวลาหลับอถ้ามีสติแล้วจิต ก, ก็จะนี่งสงบ พอจิตนิ่งสงบจิตก็จะสามารถเห็นตัวรู้ได้นั่นอยู่ที่สติเป็นหลักพยายามฝึกสติทั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนทํางานอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็อยู่กับพุโทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไป ถ้าทำอย่างนี้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งเข้าสู่ความสงบเพราะจิตสงบตัวรู้ก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นยังไงเราก็ต้องพบตัวผู้รู้เป็นขั้นแรกของใช่ต้องรู้รู้จัก ว, ว่าผู้รู้กับร่างกายเป็นคนละคนกันคร <c oughs> าวนี้เราคิดว่าร่างกายกับผู้รู้เป็นคนเดียวกัน <c oughs> พอเรานั่งสมาธิแล้วเราจะแยกผู้รู้คือจิตออกจากร่างกายได้เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่จิตต้องการกับสิ่งที่ร่างกายต้องการเป็นคนละเรื่องกันคนละอย่างกัน ร่างกายต้องการปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเราก็จัดให้มันไปจิตใจต้องการความสงบเราก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้บ่อยจิตใจไม่ต้องการทําบาปเพราะบาปจะทําให้ใจทุกข์ก็ต้องละบาปด้วยการถือศีลจิตใจทุกข์เพราะความอยากก็ต้องตัดความอยากตัดความโลภไปคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ เพิ่งเริ่มนั่งสมาธิคนนั่งวันละกี่ชั่วโมงครับพระพุทธเจ้าสอนให้นั่งวันละยี่ิบชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับสี่ชั่วโมงคือนคำว่ายี่สชั่วโมงนี้ไม่ได้หมายความนั่งอย่างเดียวสลับได้นั่งบ้างเดินบ้างสลับกันนั่งน้อนั่งนั่งน้อมเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินแต่ให้มีสติในทุกกิริยาบทนั่งก็พุโทโธเดินก็พุโทโธกินอาหารก็พุโทโธอาบน้ําก็พุโทโธนี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติ ขั้นตอนนั่งปฏิบัติสติก่อนคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะเวลาไปปฏิบัติธรรมใจรู้สึกกลัวใจวิ่งไปคิดนู่นนี่ น, นั่นไม่สงบแต่เต็มเวลาแต่เต็มเวลาที่ตั้งใจจะได้บุญใช่ไหมคะจะพัฒนาได้ไหมคะแต่พัฒนาหรือไม่ก็อยู่ที่จิตสงบหรือไม่สงบ สงบมากก็พัฒนาได้มากสงบน้อยก็ได้พัฒนาได้น้อยแต่ก็ต้องเริ่มต้นจากน้อยไปหามากก่อนเพราะว่าสติเรามีกำลังน้อยมันก็จะทำให้ความสงบนี้สงบได้น้อยแต่ถ้าเราหมั่นเจริญสติฝึกสติไปเรื่อยๆสติเราก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นไปแล้วความสงบก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับการปฏิบัตินี้ต้องใจเย็น มันเรียนหนังสือพอเข้าสู่ชั้นอนุบาลนี้หวังจะไปรับปริญญาปีหน้าเลยไม่ได้นะก็ต้องเรียนต่อไปจากอนุบาลก็ขึ้นสู่ชั้นปถมจากชั้นปฐมก็ไปสู่ชั้นมัธยมอย่างมัธยมก็เข้าสู่มหาหลัยแล้วเดี๋ยวปริญญาก็มารอเรารอเราอยู่ไม่ใช่นะปฏิบัติวันนี้ปุ๊บจะให้ถึงนิพพานทุกนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้จะให้จิตรวมสงบทันทีทันใดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของที่ต้องใช้เวลามาก ยกเว้นว่าถ้าเราเคยเรียนมาแล้วเคยปฏิบัติมาแล้วนี่บางคนก็นั่งสมาธิครั้งแรกก็จิตก็สงบได้เลยก็มีแต่น้อยมากก็แสดงว่าชาติก่อนเขาอยู่ในระดับมหาวิชาลายนะัยแล้วเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เขาก็สามารถไปถึงขั้นมหาลายได้ทันทีเลย คำถามจากคุณยูมิค่ะถ้าเรานำตัวเราออกจากที่ที่ทำให้ทุกข์หรือสถานการณ์ที่ทำให้เราทุกข์มันจะเป็นการหนีปัญหาหรือไม่เจ้าคะหรือเราควรอยู่กับมันจนเราทาใจให้ไม่ทุกข์ได้ดีคะขอบพระคุณเจ้าคะถ้าทำใจได้ก็ดีถ้าไฟไหม้ก็อยู่ในบ้านไปนัดทำใจไหม้ก็ไหม้ตายก็ตายถ้าทาได้ก็ดีถ้ายังทาไม่ได้ก็ต้องหนีออกมาก่อนแล้วมาฝึกทาใจก่อน แล้วต่อไปเวลาไปติดอยู่ในไฟที่หนีไม่ได้ก็ต้องทำใจก็ก็จะไม่ทุกกับการถูกไฟไม่ได้แต่ถ้าเรายังทำใจไม่ได้อยู่เราก็ต้องหนีก่อนหนีออกมาเพื่อมามาม า, มาตั้งหลักสู้ใหม่มาสร้างสติสร้างปัญญาสร้างกำลังที่จะสู้กับความทุกข์ต่างๆแต่ถ้าเราอยู่ในกองไฟแล้วเราไม่ทุกกับมันล้วจะหนีก็ได้ไม่หนีก็ได้แล้วแต่เราคาถามจากคุณอ้อค่ะ ทธิที่มีความรู้สึกอยากออกบวชตลอดเวลาเป็นกิเลสมาหรอกเราหรือเปล่าเจ้าคะไม่หรอกการอยากบวชก็ดีอยากรักษาศีลก็ดีอยากทําบุญทําทานก็ดีอยากปฏิบัติธรรมก็ดีนี่เป็นมัชเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่เป็นกิเลสเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลส mm. ฉะนั้นถ้าอยากแบบนี้ได้อยากบวช mm. อยากปฏิบัติธรรม อยากรักษาศีลอยากทำบุญทําทานอยากฝึกสมาธนนิถือว่าเป็นความอยากที่ดีเพราะเป็นความอยากที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้คำถามจากทาง Facebook ค่ะ เวลาทำอาณาปนาสติแล้วบางครั้งมีความรู้สึกตัวหายลมหายแล้วก็ตกใจว่าเกิดตัวหายจึงกลับมาดูลมต่อทำให้ไม่สงบเพราะเกิดความสงสัยต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะต่อไปก็ให้รู้ว่าไม่มีอะไรไตัวร่างกายมันหายจากความรู้สึกแต่มันไม่ได้หายไปร่างกายก็นั่งอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าใจเราไม่ไปรับรู้เรื่องร่างกายท่านนั่นเองเวลาใจสงบไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร ไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบแล้วร่างกายหายไปเลยกลับมากลับมาสู่ร่างกายไม่ได้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นร่างกายก็นั่งอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่จิตที่เคยรับรู้เรื่องร่างกายหยุดยุติการรับรู้เรื่องร่างกายชั่วคราวจิตเข้าสู่ความว่างของความสงบของจิตนะไม่ต้องกลัวอะไรทําทําต่อไปพุโทโธต่อไปหรือดูลมต่อไปนะเวลาเกิดอาการรู้สึกว่าใจว่างใจเย็นใจสงบเราจะคิดว่าร่างกายหายไปนี้ไม่เป็นไร มันเป็นผลที่เกิดจากการนั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่อแยกใจออกจากร่างกายนั่นเองให้ร่างกายหายไปจากใจเพราะเวลามีร่างกายในใจแล้วมันหนัก อ, อกหนักใจต้องมากังวลกับเรื่องของร่างกายพอไม่มีร่างกายแล้วใจเบาใจสบายหมดได้ยงังยังไม่มีคําถามค่ะหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะห้ามถามหลังจากที่แรกแล้วนะ เพราะว่ามันไม่สะดวกต้องมีจัดการเรื่องอะไรต่างๆอีกถ้าอย่างนั้นก็แค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ